การสั่ง12ึ่อิบเอพิสูตสั่งภิกษุว่าท่านจงลักทรัพย์นี้มาต้องอบัตทุกกดภิกษุผู้รับคําสั่งสําคัญทซั์นั้นว่าเป็นทรัพย์นั้นลักทรัพย์นั้นมาได้ต้องอบัตปาราชิกทั้งสองรูปภิกษุสั่งภิกษุว่าท่านจงลักทรัพย์นี้มาต้องอบัตทุกกฎภิกษุผู้รับคําสั่งสําคัญซัพย์นั้นว่าเป็นทรัพย์นั้นลักทรัพย์อื่นมา ภิกษุผู้สั่งไม่ต้องอบัตภิกษุผู้รักต้องอบัตปาราชิกภิกษุสั่งภิกษุว่าท่านจงรักทรัพย์นี้มาต้องอบัติทุกกดภิกษุผู้รับคำสั่งสำคัญทรัพย์นั้นว่าเป็นทรัพย์อื่นแต่ลักทรัพย์นั้นมาได้ต้องอบัตปาราชิกทั้งสองรูปภิกษุสั่งภิกษุว่าท่านจงลักทรัพย์นี้มาต้องอบัติทุกกฎภิกษุผู้รับคำสั่งสำคัญทรัพย์นั้นว่าเป็นทรัพย์อื่นรักทรัพย์อื่นมาได้ ภิกษุผู้สั่งไม่ต้องอบัติภิกษุผู้ลักต้องอบัติปาราชิกภิกษุในวงเล็บผู้เป็นอาจารย์สั่งภิกษุในวงเล็บชื่อว่าพุทธรักิตะว่าท่านจงบอกภิกษุชื่อในวงเล็บธรรมรักิตะนี้ว่าจงบอกภิกษุชื่อในวงเล็บสังขรักิตะนี้ว่าจงลักทรัพย์นี้มาต้องอบัติทุกกฏภิกษุผู้รับคำสั่ง ไปบอกภิกษุอีกรูปหนึ่งต้องอบัตทุกกฎภิกษุผู้ลักรับคําสั่งภิกษุผู้สั่งครั้งแรกต้องอบัตทุลจใจภิกษุผู้รักลักซัพ์นั้นมาได้ต้องอบัตปาราชิกทุกรูปภิกษุในวงเล็บผู้เป็นอาจารย์สั่งภิกษุในวงเล็บชื่อว่าพุทธรักิตะว่าท่านจงบอกภิกษุชื่อในวงเล็บธรรมรักิตะนี้ว่าจงบอกภิกษุชื่อ ในวงเล็บสังขารษิตะนี้ว่าจงลักทรัพนี้มาดังนี้ต้องอาบัตทุกกฎภิกษุผู้รับคำสั่งไปบอกภิกษุรูปอื่นต้องอาบัตทุกกฎภิกษุผู้ลักรับคำสั่งต้องอาบัตทุกกฎภิกษุผู้ลักลักทรัพนั้นมาได้ภิกษุผู้สั่งครั้งแรกไม่ต้องอาบัตภิกษุผู้สั่งต่อและภิกษุผู้ลักต้องอาบัตปาราชิกภิกษุ สั่งภิกษุว่าจงลักทรัพย์นี้มาต้องอบัตทุกกฎภิกษุผู้รับคําสั่งไปแล้วกลับมาบอกว่ากระผมไม่สามารถลักทรัพย์นั้นได้ผู้สั่งจึงสั่งอีกว่าจงลักทรัพย์นั้นในเวลาที่ท่านสามารถจะลักได้ต้องอบัตทุกกฎภิกษุผรับคําสั่งลักทรัพย์นั้นมาได้ต้องอบัตปาราชิกทั้งสองรูปภิกษุสั่งภิกษุว่า จงลักทรัพย์นี้มาต้องอบัตทุกกฎเธอสั่งแล้วเกิดความเดือดร้อนใจแต่ไม่ได้กล่าวให้ผู้รับคำสั่งได้ยินว่าอย่าลักพิสูจน์พรบคาสั่งลักทรัพย์นั้นมาได้ต้องอบัตปาราชิก <el> ท <the> ั้งสองรูปภิกษุสั่งพิกษุว่าจงลักทรัพย์นี้มาต้องอบัตทุกกฎเธอสั่งแล้วเกิดความเดือดร้อนใจจึงกล่าวให้ได้ยินว่าอย่าลัก แต่ภิกษุผู้รับคำสั่งกล่าวว่าท่านสั่งผมแล้วลักทรัพย์นั้นมาได้ภิกษุผู้สั่งไม่ต้องอาบัตภิกษุผู้ลักต้องอาบัตปาราชิกภิกษุสั่งภิกษุว่าจงลักทรัพย์นี้มาต้องอาบัตทุกกฎเธอสั่งแล้วเกิดความเดือดร้อนใจจึงกล่าวให้ผู้รับคำสั่งได้ยินว่าอย่าลักภิกษุผู้รับคำสั่งนั้นรับว่าดีละ่ะ จึงงดเว้นไม่ต้องอาบัดทั้งสองรูป